อยากรู้ใจผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยบอกว่าเธอจะไม่รักฉันเพราะจะบอกว่าเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากเขาอยากถามใจผู้หญิง คนเดิมที่เคยบอกว่ารักมันคงแน่นอนที่เธอบอกว่าเธอมีอย่างที่สอนสุดท้ายมันจริงหรือไรในเธอบอกว่าเธอรักา เธอบอกจะไม่เปลี่ยนใจแล้วที่เธอมีใครต่อใครไม่รู้เท่าไรอย่างมีไม่ความว่าอะไรอยากดูใจผู้หญิงคนดีถึงวิธีที่เธอบอกไม่รักกัน ฉันไม่เห็นต้องทำอย่างนั้นเลยแค่เพียงเธอไม่รักฉันคนเดียวไม่เห็นต้องลำบากขนาด เธอรักเขาในเธอบอกจะไม่เปลี่ยนใจแล้วที่เธอมีใครตอใครไม่รู้เท่าไรยังมีไหมความว่าอะไรอยากดูใจผู้หญิงคนดี ั ก, กนที่เธอทําเป็นดีกับเขาเพื่อปานจิเสดฉันไม่เห็นต้องทําอย่างนั้นเลยที่เธอทําเป็นดีกับเขาเพื่อปานจะเสดฉันสุดท้ายเสียใจ